จับได้ทานเสร็จก็ต้องล้างสิไม่ใช่บางคนก็ตามดูมันไปตามดูมันไปปล่อยให้มันไปเรื่อยคุณมันพาลงเหวคุณก็ตามลงเหวไปสิทางนี้เพราะฉั้นอย่าไปเข้าใจผิดนะเพราะว่าบางที่บางแห่งเขาก็ชอบบอกอ่ะใช่ไหมบางทีนั่งฝึกทําสมาธิทำอะไรจิตมันยังไงก็ตามมันดูสิตามดูมันไปก็ตามไปเรื่อยเลยนะเออมันพาลงนรกขุมไหนก็ลงตามันไปอย่างนั้นเหรอ ก็โง่ตายสิมันที่เขาบอกว่าตามดูจิตเนี่ยหมายถึงว่าคอยดูมันถ้ามันคิดไม่ดีอะเราก็รู้ว่าแล้วว่ามันคิดไม่ดีเออพอมันคิดไม่ดีเอา้าคิดเลวคิดร้ายแลยปรุงต่อไปทำไมอะจะตามมันไปทำไมตามให้โงส่สิเพราะฉะนั้นอะเอา้านี่มันคิดไม่ดีแล้วอะมันไม่ควรคิดแล้วอย่างนี้มันควรจะเลิกควรจะอะไรอะทิ้งไปได้แล้วควรจะคิดเป็นกุศลขึ้นมาคิดดีดีขึ้นมา เออเอามาล้างไอ้ไอ้ของไม่ดีนี่ให้มันความสกปรกความเน่าเหม็นพวก น, นี้จะได้เออออกออกไปจากจิตเราอย่างนี้มันถึงจะหายได้น่าจิตที่มันมีกิเลสการมาตัญหาอะไรพวก น, นี้มันถึงจะลดลงได้ไม่งั้นไม่มีวันลดเห็นไหมว่าคนโ ล, โลกทุกวันนี้ถึงโอ้โหบ้าหนักบ้ามากในยเรื่องของการมาตัญหานะหยาบทุกวันนี้อะไรอ่ะพวก เก์พวกตุ๊ดพวกอะไรทอมพวกดีพวกอะไ ร, ม, ะไรมันเกลื่อนเมืองเลยเดี๋ยวนี้จนกระทั่งลงหนังสือพิมพ์เรื่องผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันจะอะไรกันชจะถือเป็นเรื่องธรรมดาดีที่เมืองไทยยังไม่ยอมรับนะยังไม่มีกฎหมายอะไรมายอมรับนะบางที่บางแห่งเขายอมรับไปแล้วแต่เมืองไทยยังเออยังไม่ยอมรับแต่แหมบางที เอามาลงจังเลยทั้งหนังสือพิมพ์บางทีทั้งทีวีทั้งอะไรต่ออะไรโอ้โหเยอะมากแล้วก็เอามาอะไรอะ่ะเอามาแสดงเอามาให้คนดูกลายเป็นกลายเป็นอะไรอะ่ะความน่านิยมกลายเป็นเด็กผู้ใหญ่ดูไปดูไปมันก็ฝังเข้าไปเรื่อยสิฝังเข้าไปเรื่อยแล้วมันดีที่ไหนล่ะฝังหัวเข้าไปมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวนีย พวกผู้ชายที่เป็นแบบเกย์เป็นแบบตุดเป็นแบบอะไรมันถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้ชายยุ่งกับผู้ชายก็เยอะขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงยุ่งกับผู้หญิงก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะหนังละครหรือว่าสื่อต่างๆอะไรมันโอ้โหมันออกมาเยอะมากเลยเรื่องพวกนี้เยอะมากจริงๆมากจนกระทั่งคนมันก็เลยใครที่จิตใจไม่เข้มแข็งนะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของสภาวะจิตราะไปดูพวกนี้ไปศึกษาพวกนี้ หรือว่าไปเข้าใจเรื่องพวกนี้มากเข้ามาคำก็ฝังเข้าไปในจิตทั้งนั้นอ่ะมีหรอว่ามันจะไม่ฝังอ่ะแล้วยิ่งเรื่องพวกนี้นะมันฝังลึกด้วยซะด้วยนะมันเหมือนกับผีอะ่ะหนังผีเนี่ยดูไปโอ้โหจำแม่นยังเลยหนังผีหนังดีๆนะบางทีโอ้โหหนังประเภทธรรมะหนังประเภทอะไรสอนดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมลนะ แต่หนังผีหนังอะไรเนี่ยโอ้โหจำแม่นบางทีห้าปีสิบปียังนึกภาพได้เลยนะจาได้เลยว่าเป็นยังไงแต่อ้ที่ดีๆนี่ลืมหมดล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเทียบไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อกิเลสที่เราแต่ละคนเนี่ยมันมีสะสมไว้ทั้งนั้นวันใครยิ่งไปเสพใครยิ่งไปดูบ่อยๆใครยิ่งไปติดพวกนี้ นะมันก็ยิ่งขุดคุ้ยไอ้ที่ของเก่าเรามีอยู่ในจิตกับของใหม่ที่ใส่เข้าไปเติมเข้าไปอีกโอ้จะรอดได้ยังไงเพราะงั้นยิ่งนานบันค น, นกับเพียนเรื่องการเรื่องราคะเรื่องอะไรพวกนี้หนักขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะจากชาดกเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหพระธิดาการหานี่ก็ไม่ไหวเลยนะนี่ถ้าเขาไปสร้างเป็นหนังก็ดูไม่ได้เลยนะเรื่องนี้โอ้โหเพราะมันหยาบเหลือเกิน นี่ก็เลยยุ่งกับคนรับใช้แม่พิการหลังคอมเปียอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกว่านางนางากันหานี่นะมีเวลาว่างไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรนี่มีเงินทองเป็นพระธิดาอยู่ปราสาทอะไรก็มีให้กินให้ใช้ ไม่ต้องทํางานการอะไรเลยพอมีเวลาว่างๆกับยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เวลาที่ไปว่างก็ยุ่งกับห้ากุมาร น, นั่นแหละพอเวลาอื่นก็เลยยุ่งอยู่แต่เรื่องเนี้ยงอนวันวันหนึ่งหมกมุ่นขอใช้คําว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้นี่ถ้าจับไปทํางานทําการจับไปอะไรต่ออะไรเรื่องอื่นซะจิตมันก็เน่าไปอยู่กับเรื่องอื่นมันก็ไม่มาปรุงไม่มบฟุ้งกับเรื่องพวกนี้ วันขาวนี้นี่คำว่าสํานวนว่าว่างๆเนี่ยเราเคยมีบอกว่าอะไรเวลาที่อยู่คนเดียวให้ระวังให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเรามีสํานวนเนี้ยที่พูดกันวันอยู่คนเดียวเนี่ยคำว่าอยู่คนเดียวหมายถึงว่าบางทีว่างๆไง ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันอยู่กับความคิดของตัวเองเนี่ยมันจะต้องระวังความคิดของตัวเองให้ดีเพราะเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีไอ้ไอ้กิเลสพวกนี้มันจะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จเราจะมาปรุงมาฟุง้งก็อยู่คนเดียวนี่มันไม่มีใครรู้ด้วยเราทีป่ปรุงฟุ้งเสพไปเรื่อยบางคนก็นึกอยากจะกินอะไรอร่อยอร่อยขึ้นมานะเอาอีกแล้ว ส้มตำเกาต้มมัดอะไรต่ออะไรก็ปรุงไปเรื่อยคิดไปเรื่อยน ะ, อ, ะอร่อยยังไงบ้างเนีรสชาติเป็นไงปรุงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเคือโดนโดนดึงไปอีกละโดนจูงไปอีกละอันนี้พูดเลยมาเรื่องกินว่านี่เนี่ยอยู่คนเดียวก็ต้องระวังความคิดหรือบางครั้งนั่งนึกนั่งคิดไม่ชอบใจแอนนไม่ชอบใจนี่ในด้านโทรศัพ ันก็ปุงไปเรื่อยนะเนี่ยไม่รู้ตัวเนี่ย<ม>เผลอเลยอีกละไม่รู้ตัวก็ปล่อยจิตให้มันไปอกุศลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยคุณยิ่งปล่อยไปไกลยิ่งปล่อยไปยาวเท่าไหร่นั่นแหละคือความฝังลึกในจิตมากเท่านั้นฮ้อนใครเนี่ยพ อ, อยได้สติขึ้นมาปาั๊บรีบจัดการมาเลยเอามันจะไปฝังลึกได้ไงมันก็ไม่ไปไหนยาวนักใช่ไหมมันไม่ไปไกลนัก จะขุดลากจะถอนโคนก็ง่ายแต่ใครเนี่ยปรุงคิดอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วก็แหมคิดสะไกลสะยาวโหคุณถอนยากมากเลยยิ่งถ้าอะไรอะ่ะเคยชินซะแล้วกูไม่กลับละคราวออนี้ไม่มีทางเลยนะเพราะนั้นให้มีสติไวๆมีสติไวๆรู้ตัวให้เร็ว เรารู้เมื่อไหร่ว่าคิดอักขุศรจิตเมื่อไหร่รีบจัดการทันทีนะอย่าปล่อยมันไปอาตานิพพ์พอธิดาการหาปากฏว่าอา้าวก็ไปยุ่งกับกับบุรุษเปี้ยนี่แหละแล้วเวลาพอไปยุ่งกับบุรุษเปี้ยเนี่ยก็มักจะเจรจากับบุรุษเปี้ยนั้นว่าคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าท่านนั้นไม่มีเราจะฆ่าพระราชกุมารทั้งห้าเสีย เอาเลือดในลําคอมาล้างเท้าท่านหมายความว่าไงคือเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับกับบุรุษเปียคนนี้นะก็แม้พูดเหมือนกันอะไรพูดเอาใจอะ่ะพูดเอาใจว่าเหมือนกับรัดเอ่อบุรุษเปียเนี่ยมากเลยห้ากุมารนั้นยังเทียบไม่เท่าเลย นะฮนะเน่ยเอามาฆ่าเอาเลือดมาล้างเท้าให้ใช่รึเป่าล้างเท้าอ่ะใช่มาล้างเท้าให้บุรุษเปี้ยร์นี่ซะก็ได้คือคื อ, คอหลอกอะพูดง่ายๆว่าก็พูดคําหลอกให้บุรุษเปียรเนี่ยแมะจะได้หลงว่าหลงว่าว่าเออรักรักรักไอเจ้าเจ้าเปียร์เนี่ยนะ <laughs> เหลือเกิน <laughs> อ่ะ ก็พูดง่ายๆว่าโอ้โหจะอะไรขนาดนั้นนะเป็นอยู่ดังนี้ถึงแม้พระราชกุมารทั้งหก็ตามนางก็พูดทำนองเดียวกันหมายถึงว่าก็พูดคล้ายๆกันนะคือเวลาคลอเกียร์อยู่กับราชกุมารพี่ใหญ่นางก็พูดว่าหม่อมฉันรักพระองค์ยิ่งกว่าพระราชกุมารทั้งสชีวิตของหม่อมฉันสละถวายพระองค์แล้ว ถ้าบิดาของหม่อมฉันที่วงคตหม่อมฉันจะให้เขาหม่อมฉันจะให้ถวายราชสมบัติแก่พระ อ, องค์คือเปรา ะ, ะเอาใจทุกทุกคนเลยเนี่ยไปยุ่งกามกับใครก็เปรา ะ, ะเอาใจเขาทุกคนพูดหวานหวานให้พูดง่ายพูดหวานหวานให้นั่นเนี่ยเนี่ยบอกกับพระราชาุมาองค์ใหญ่นี่ว่าเออเนี่ยน่าหน่ะรักรักที่สุดเลยเนี่ยถ้าพระบิดา สิบพระชนใบเนี่ยก็จะให้ให้บอกว่าให้เอาบัลลังก์เนี่ยกให้กับพระราชกุมารองค์ใหญ่นี่และในเวลาที่นางไปคลอเคลียอยู่กับพระราชกุมารองค์อื่นๆ น, นางก็จะกล่าวอย่างนี้ทั้ง4ี่พระองค์พูดง่ายว่าใช้สไตล์นี้หมดเลยเอเมอัตมาวจจะพยายามไม่พูดภาษาอังกฤษใช้แบบนี้หมดเลยนะพระราชกุมารทั้งห้า ต่างก็ทรงยินดีด้วยพระธิดากัญหายิ่งนักด้วยหลงคิดว่าพระธิดาหลงรักตนและอิสริยยศจะเกิดขึ้นกับตนเพราะอาศัยนางนะคือหลอกอย่างนี้ไว้หมดเลยโอรสพระราชาุ ม, มานทั้งห้านี่โดนหลอกอย่างนี้เหมือนกันหมดวันทั้งห้องค์นี่ก็หัวปากหัวปำรักานางกัญหาเนี่ย หมดเลยเพราะว่าอะไรโอ้โหนี่ทั้งเขาทั้งรักเรามากทั้งจะยกสมบัติให้เราด้วยอย่างเงี้ยแหมก็เลยรักใหญ่เลยนะต่อมาวันหนึ่งพระธิดาประชวนหมายถึงว่าป่วยไข้เนี่ยพระราชกุมารทั้งห้าก็ไปนั่งแวดล้อมององโตนะนวดฟันที่บริเวณศีรษะอีกสี่พระองค์ นวดมือและเท้าส่วนเจ้าเปียกแค่นั่งอยู่ใกล้ๆเท้าก็นั่นเขาครบห้าแล้วนะเจ้าเปียแค้นี่ก็เลยเอานั่งอยู่ห่างๆหน่อยนั่งอยู่ตรงตร ง, ตรงบริเวณเท้าอีกทีหนึง่งนะองค์โตเนี่ยอา้าวช่วยจับช่วยนวดศรีรษะให้ส่วนนอกนั้นอีก กุมารทั้งสี่ก็แขนสองขาสองะช่วยบีบช่วยนวดให้ส่วนพระธิดากันหาก็แอบชายตาให้อนัดสัญญาแก่พระอัจชุนผู้เป็นเชดิดถาด้วยสายตาเป็นเชิงแสดงให้รู้ว่าคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของหม่อมฉันยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีเมื่อหม่อมฉันมีชีวิตอยู่ก็จะมีชีวิตอยู่สําหรับพระองค์ ถ้าพระราชบิดาที่วงคตแล้วจะให้ถวายราชสมบัติแก่พระองค์เท่านั้นคือพูดง่ายๆนี่ขนาดป่วยนะ <c oughs> ขนาดป่วยอยู่เนี่ยพระราชกุ ม, มารมาช่วยดูแลช่วยประคบประนงมช่วยเอาใจใส่ให้นะก็ยังไม่วเลย เ, ยเนี่ยเี่ยอาตมากำลังจะบอกว่าคนที่มันมีกิเลสกามมาตัญหามีอะไรเนี่ยสะสมไว ม, มากเข้ามากเข้า คุณรู้ไหมกริยาอาการจะมันออกหมดนะคือลักษณะนี้คือกําลังบอกให้รู้ว่าบางทีเนี่ยจะพูดก็ตามตาจะมองก็ตามกริยาอาการเดินต่างๆก็ตามถ้าคุณมีสังสมอะไรพวกนี้อยู่มันออกมาได้มันออกมาได้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ละ เพราะมันไปสั่งสมวิบากพวกนี้ไว้หพราบางคนยังไม่รู้ตัวแร้วตาหวานเยิ่มเชอมองนะระ ว, วังเถอะพึ่งจะมาตอม <c oughs> เอาไม่รู้ตัวมองนะตาหวานเชื่อบางคนก็นะปากหวานพูดโอ้เสียงเล็กเสียงน้อยบีบเสียงบั่งอะไรบังไม่รู้ตัว มันเป็นเองนะไม่ได้ไม่ได้ไแกงนะไม่ได้ไปเจตนาน ะ, ะบางคนมาปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็ไม่อยากเห้เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าวิบากมันมีม า, าไปสะสมไว้ไปทำเอาไว้มันก็เลยออกมานะพะนั้นบางทีเนี่ยรูปร่างก็ตามหน้าตาก็ตามซุ่มเสียงหรือว่าสำเนียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีวิบากพวกนี้ออกมาเพราะนัทธิดาการหานี่เหมือนกัน ขนาดป่วยๆ ย, ยังไม่วายเลยเยังไม่วายเลยชายหูชายต า, อ า, อ า, อ า, อาบอกให้อาย อ, องโตเนี่ยบอกให้รู้นะรู้นะบ้านนี้เนี่ยฉันรักเธอ อ, าาอังกฤษก็อะไร I love you ชอบพูดกันนักภาษาจีนก็วอรไอหนีชอบพูดกันนักเพลงก็เอามาร้องกันนี เนี่ยเยอันนี้ไม่รู้นะเนี่ยสั่งสมมาทั้งนั้นน่ะแม้แต่เนี่ยพวกหนังละครพวกเพลงสังเกตไหมเพลงหรืออะไรส่วนใหญ่เป็นยังไงก็พวกนี้ทั้งนั้นแหะส่วนใหญ่อกหกักอกพังอ่ะ น, น้อยส่วนใหญ่ก็ฉันรักเธอเธอรักฉันทําไมไม่มาทันทีอ ะ, อ, อะไรก็ต่ออะไรก็โอ้อยู่นั่นแหะไม่มีอะไรอื่นหรอกก็สั่งสมเนี่ยก้อนเข้าไปแตใครชอบฟังแต่เพลงพวกนี้ก็ นั่นแหละก่อหูกอ่กอคัวเข้าไปมันสะกดจิตน ะ, ะใครเนี่ยฟังพวกนี้มากๆเข้าบางทีเนี่ยบอกแล้วอยู่คนเดียวเอาละเพลงพวกนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็คิดแล้วนะคิดไปแล้วนะคิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงคนนี้ก็คิดไปแบบกลามเนี่ยแหละก็อย่างนี้แหละมันไปสั่งสมอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะนึงบอกระวังนะโดยทยี่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่และนี้เรามาปฏิบัติทำแล้ว จะต้องรู้ตัวให้ได้ระวังเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามวันบางคนเนี่ยเดินพยายามข้อนี้วิ่งเดินแบบนี้มันอิทธิภาว ะ, ะเดินสะบัดสะบิง่งบางบางคนเดินหนวยนาดเดินอะไรกะแหมไม่รู้จะใช้สมดุลยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้มีนะโอ้โหในนี้ว่าไว้ครบหมดแหละทั้งการเดินทั้งอะไรต่ออะไรมีครบหมดทุกอย่างเลย อืมอ่ะอันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังเอาก็ะปากนเนี่ยชายตาให้กับองค์ใหญ่นะให้ให้รู้กันนะฉันกับเธอรู้กันอ่าส่วนราชกุมารอีกสีพ่พระองค์นางก็แอบแสดงเรศในทำนองเดียวกันเนี่ ย, ยให้แต่ละองค์เนี่ยได้รู้ด้วยมือและเท้าตามตามทิศ ท, ที่แต่ละคนนั่ง ก็นี่ๆเอารู้กันน่ารู้กันนะก็ไม่รู้นะอาจจะกระดิกเท้ากระดิกนิ้วอะไรก็แล้วแต่ะให้รู้ว่าเนี่ยเนีฉันรักเธอแหละใช่แต่เท่านั้นนางยังพยายามแสดงอาการแก่บุรุษเปียแคลอีกด้วยคือพูดง่ายว่าเนี่ยเนี่ยคือถ้าเป็นปกติปกติเนี่ยนะอาจจะมีสติได้มากหน่อยมีสติได้มากแล้ว สุขภาพแข็งแรงปกติอยู่เนี่ยบางทีมันยังจะอะไรอ่ะสแสดงหรือว่าอะไรนี่ยังจะหลบหลบซ่อนซ่อนให้คนไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้เห็นนะ่ะ อ, อาจจะไอ้นั่นแต่ว่ายิ่งพอเจ็บพอป่วยเนี่ยคนเราสติมันจะไม่ค่อยควบคุมได้ดีหรอกใช่ไหมอา้อาวเหตุหนึ่งที่กิเลสเกิดขึ้นได้ง่ายคือป่วย น, นี่คือเหตุหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นยิ่งคราที้พอป่วยแต่บอกแล้วว่าโอ้โหไอ้ที่สะสมกามไว้นี่มันเยอะมากเนี่ยพอป่วยเนี่ยมันคุมสติอะไรได้ไม่ค่อยดียิ่งปล่อยมาเลี่ยราดเลยคนนี้ปล่อยมาเลี่ยร่าดเลยเคยเห็นคนบ้าไหมคนบ้าที่ ท, ที่ที่คุมสติอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเขาอยู่ในภพเรื่องอะไรนะถ้าอยู่ในภพเรื่องกามเนี่ยโอ้โหวิ่งไล่จับคนเลยนะถ้าอยู่ในภพเรื่องกาม่ะ เค ย, เนยในอดีตเนี่ยเยมีอาอที่เราเคยเจอกันหนะ้าที่เขาสติเขาไม่ค่อยดีแล้วเข้ามาพักอยู่ที่ที่นี่เราเนี่ยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าอารมณ์การพวกนี้ขึ้นเน่ยโอ้แก้ผ้าเลยอแก้ผ้าเลยแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็วิ่งไล่จับผู้หญิงเลยอะว่ามันจะคุมสติอะไรพวกนี้ไม่ได้ มันก็มีแต่คิดแต่เงี้ยวหหัวสมองมันมีแต่เงี้ยมันมันมันจะเรื่อเริ่มเหมือนไม่ไม่ต่างกับสัตว์โลกอื่นๆทั่วไปอะไรพวกนี้คุมอารมณ์อาการอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันก็จะแสดงออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพระธิดาก็เลยเริ่มแสดงอาการออกมาแหละแม้แต่เนี่ยเจ้าเปี๊ยกแค่นี่ก็ยังส่งซิกธแนวเออ <c oughs> ส่งสัญญาณให้เห็นเลยนะ <c oughs> นะเจ้าคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักของข้าข้าจะมีชีวิตอยู่สำหรับเจ้าเท่านั้นเนี่ยทรงให้รู้กันจะอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นเลดในให้รู้กันแต่ละคนก็เห็นอาณั ส, สัญญาณแล้วก็รู้ความหมายเพราะนางเคยพูดมาแต่ก่อนเนืองๆแล้วนะเคยพูดเคยหลอกมาไว้อะว่าอย่างนี้อย่างนี้จะมีก็แต่อจุนนะกุมารที่ได้สังเกตเห็นอาการ เคลื่อนไหวทำเลสในต่างๆของนางทั้งหมดปรากฏว่าพี่ใหญ่นี่เอเห็นเห็นคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยมีพี่ใหญ่นี่เห็นแล้วเอ๊ะทำไมเที่ยวทำอย่างนั้นอย่างนี้กับใครต่อใครก็ดําริว่านางแสดงท่าทีให้แก่เราอย่างไรชรอยจะให้แก่ผู้อื่นอย่างนั้นด้วยแม้แต่ให้ความรักให้ชิดชมกับไอ้เปรีย้ยแค่ด้วยโดยไม่ต้องสงสัย คื อ, ค อ, คอจับพิรุษได้แล้ ว, วเอ๊ะมันยังไงยังไงละดัมดิแล้วจึงชักชวนพาน้องชายออกไปข้างนอกแล้วไต่ถามว่าพาธิดาแสดงท่าด้วยรีลาสายตาให้เราเจ้าเห็นหรือไม่พระราชกุ ม, มาทั้งสี่ก็รับว่าเห็นอัชชุนกุ ม, มาจึงถามว่าเจ้ารู้เจ้ารู้เท่าทันหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุไร คือที่ทำท่าทางอย่างนั้นน่ะรู้ไหมว่าเพราะอะไรเนี่ยสมมุติว่าทำให้พี่อย่างเงี้ยรู้ไหมว่าเพราะอะไร พ, พระราชกุมารก็ตอบว่าหมายถึงทั้งสี่เนี่ยตอบว่าไม่รู้อจุนะกุมารยึงถามว่าก็ที่นางทําอนัสสัญญาณให้เจ้าทั้งสี่เนี่ยด้วยมือบ้างด้วยเท้าบ้างนะทั้งสี่เนี่ยเจ้ารู้หรือหรือไม่เล่าว่าเรื่องอะไร พระราชกุมารทั้งสี่ตอบว่ารู้คือหมายถึงว่าที่ทำสัญญาให้แต่ละคนเนี่ยรู้ไหมว่าทำให้นะ่ะหมายความว่ายัางไงเอาบอกเอาก็รู้สิก็ทำให้ใหชั้นชั้นก็รู้สิแต่ทำให้คนอื่นนี่ไม่ทันได้สังเกตก็เลยไม่รู้อาชุนักกุมารจึงตรัสว่านางให้สัญญาแกนางให้สัญญาแกพวกเราด้วยเรื่องอย่างเดียวกันนั่นแหละแน่แท้ บอกว่าให้กับท่านยังไงเนี่ยก็ให้กับฉันอย่างนั้นแหละอืมแล้วถามต่อไปว่าแล้วที่นางแสดงกริยาพิรุษให้แก่เจ้าเปียกแค้นนั้นเล่าเจ้ารู้เท่าทันหรือไม่เล่าพระราชกุ ม, มารทั้งสี่ก็ตอบว่าไม่รู้ลำดำนั้นเองอัชุนากุ ม, มารจึงบอกแก่น้องชายว่าชรอยนางนี่จะได้ประพฤติชั่วลามกกับไอ้เปียกแค ด้วยอีกคนหนึ่งเป็นแน่แล้วก็เดาเรื่องได้เลยเมื่อเห็นน้องชายทั้งสี่ไม่เชื่อจึงเรียกให้บุรุษเปี๊ยกแคะเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าบุรุษเปี้ยกแคะก็ยอมรับสารภาพหมดสิน้นพระราชกุมารทั้ง5ได้ฟังแล้วก็หมดความยินดีรักใคร่ในตัวนางพากันติเตียนมาตุคามต่างๆนาน า, นาว่า ดูนะพอรู้ความจริงเข้าตอนนั้นเองอะ่ะโอ้โหอะไรอะ่ะนายเลยเบื่อนายเลยเบื่อนายนางนี่นะไม่ใช่เบื่อนายกามเบื่อนายนางกัญหานี่เลยคือคือเลิกรักเลยเลิกหลงเลยนะแล้วก็ว่าคราที้เลยว่าผู้หญิงใหญ่เลยว่าน่าสลดใจนักขึ้นชื่อว่ามาตุคามแล้วลามก ทุสินมาสละละคนที่บริบูรณ์ด้วยชาติและสวยงามเช่นพวกเราเสียแล้วไปไประพฤติลามกกับไอ้เปรีย้ยแแคอันน่าเกลียดปฏิกูลได้ก็ใครเล่าที่เขาว่าเป็นนักปราชจะพึงรื่นลมยินดีด้วยหญิงเช่นนี้ผู้หาความละอายไม่ได้มีแต่ความลามกเท่านั้นโอ้ก็พูดง่ายว่า กลายเป็นรังเกยียจเลยจากรักหลงมานี่พอรู้ความจริงเท่านั้นกลายเป็นรังเกยียจเลยเพราะอสุภะเนี่ยอสุภะเนี่ยไม่ได้หมายความว่านางกัญหานี่ต่อให้สวยเหมือนเดิมไม่ได้หน้าตาหน้าเกลียดอะไรเลยไม่ได้อัปรัก์เลยนะสวยยังไงสวยอยู่อย่างนั้นแต่คนที่มีความดีหรือว่ามีคุณธรรมเนี่ยอยู่ การที่ไปมีมากผัวมากมากชู้มากอะไรอย่างนี้เขาก็ถือว่านี่เป็นอสุภะเป็นความน่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเป็นสิ่งเลวทรามเพราะฉะนั้นพวกที่ปฏิบัติธรรมมาถ้ารู้เข้าใจว่าอ๋ออย่างงี้ก็เป็นอสุภะได้เอามาปรองได้นั่นเองเพราะนั้นก็จะสามารถเอามาใช้ปรองแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดได้ความ คลายความรักไข่คลายความยินดีพอใจได้เพราะอสุภะนี่อย่าไปคิดแต่ว่าแหมต้องไปดูเขาพาศพต้องไปดูศพเน่าๆไปศพอะไรเท่านั้นนะอสุภะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถจะมาใช้เป็นอสุภะได้แล้วก็สามารถจะคลายความปนัดยินดีได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเพราะหลายคนที่บางทีเนี่ยอขอขอแวะมาทางอาหารการกิน บางที่เราติดออาหารอย่างงั้นติดขนมอย่างนี้อะไรต่างๆให้ฉลาดรู้จักหาอสุภะอะไรที่เรียกว่าโอ้โหพอเราพิจารณาหรือเอามาใช้รำมาวิจัยแล้วนี่ปรากฏว่าทําให้ใจเราโอโหคลายจากขนมมั น, นั้นได้อย่างดีเลยอย่างวิเศษเลยจะเบื่อหนายลงไปได้เลยบางทีเนี่ยเราไปติดหรือเราไปอะไรมาให้ฉลาดในการที่จะ หาอสุภะมาปรงเพราะตอนนี้เรากําลังศึกษากันในเรื่องของกามตัณหานะกิเลสใคร่อยากในในเนี่ยในเพศตรงข้ามเนี่ยผู้ชายก็รักผู้หญิงผู้หญิงก็รักผู้ชายหรือจะผู้ชายรักผู้ชายผู้หญิงรักผู้หญิงแล้วแต่เนี่ยเผื่อพวกนี้มาได้ฟังบ้างอะอไปติดอะไรก็แล้วแต่ละเพราะฉะนั้นหาอสุภะให้ได้ถ้าหาได้เมื่อไหร่จิตจะคลายกําหนัดได้ คลายความยินดีได้พอจิตมันคลายได้เนี่ยมันก็จะทำให้เว้นจากสิ่งนั้นได้ห่างจากสิ่งนั้นได้จะไม่รู้สึกไปผูกพันไม่รู้สึกไปรักอะไรอาวร์ในสิ่งนั้นแล้วจิตใจจะโปร่งขึ้นมาเลยจะโล่งจะสบายขึ้นมาทันทีนะเาตอนนี้ห้ากุมานี้ก็โหไม่เอาแล้วนะบอกว่าไม่ไหวแล้วจะไปลื่นลมจะไปยินดีด้วยหญิงแบบนี้นี่ไม่ไหวเลิก เมื่อตีเตียนแล้วพระราชกุมาทั้งห้าก็ตกลงใจกันว่าไม่ต้องการอยู่เป็นคราวาสสืบต่อไป น, นี่ชนิดตีว่าโอ้โหนะคอันนี้คิดว่าต้องมีบา ร, รมีเก่าอยู่ด้วยมือนกันนะเข้าใจอันนี้เท่านั้นเองนะชั่วเลยทันทีเลยเปาะเดียวขาดเลยอะปากฏว่าไม่อยาก มีเพศคละว่าต่อไปเลยเพราะเห็นเลยว่าถ้ามีเพศคละว่าดิมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะเป็นโสดอยู่ได้เพศคละว่ามันเสี่ยงจริงๆงเพราะงั้นกูไปดูสิควจะเป็นโสดเหลือเหลือรอดสักเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคระว่าอยู่เนี่ยรอดพ้นจากความเป็นโสดนี่ยากส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นโสดทั้งนั้นจะต้องไปแต่งงานมีคู่ครองจนได้อ ะ, อะเพราะฉะนั้นอันนี้ฉลาดมากเลย เพราะนั้นพระราชกุมารนี่ก็พอตรงนี้ตัดใจได้พวกบวชพูยง่ายจึงพากันไปสู่ป่าหิมพานถือเพศบรรบชิตะนะเออถือถือเพศบรรปะชาบรรพชาคือการออกบวชกระทากระสินบริกรรมไปตลอดชีวิตของตนไม่เวียนมาในกามอีกซึ่งในการนั้นอจชุนกุมารก็คือเราพยานกุณาละนั่นเอง วันนี้นี่เราฟังแค่เรื่องแรกเรื่องแรกนี้ให้สังเกตดูนะเป็นการว่าผู้หญิงผู้หญิงที่โอ้โหกิเลสนะตัณหาจัดนะอันนี้เป็นเรื่องแรกให้รู้เลยว่าโอ้โหเพราะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผู้เจ้าบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอะไรมากอามีกามเนี่ยมากที่เคย พวกเราเคยพูดพูดกั น, นมากเป็นแปดเท่าของผู้ชายแต่อันนี้อาตมายังไม่เคยค้นเจอสักทีแต่ฟังพูดกันนะเขาพูดแบบโอ้โหมากกว่าผู้ชายเป็นแปดเท่าเนี่ยเรื่องของกามาตัญหาอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยวันเอาไว้เดี๋ยวจะเทียบกับเรื่องต่อไปที่พูดนี่นะพูดเพื่อที่จะให้รู้ว่าเพราะาเรื่องต่อไปเนี่ยจะจะอีกอย่างหนึ่งเลย